อันนี้หลวงพ่อก็มีโอกาสตาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดโสบณรณ น, นี้และพวกเราก็มีการปฏิบัติปุชาอาชีชาสิบสองปีที่ผ่านมาด้วยหลวงพ่อก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแม่นะ่าหลวงพ่อไม่เคยมาที่นี่เลยซึ่งมาเป็นครั้งแรกก็ยัง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 การคิดเห็นมันไกลนน่นอยู่โ น, น่นเมื่อวานนี่ปีก่อนโ น, น่นผ่านมาแล้วคิดเห็นยังไม่มาถึงก็คิดเห็นแต่นี่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัตต่างของผู้ที่ปฏิบัติมันเกิดการพบเห็นเข้ามันขนาดนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ฟรีเลย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 จังหวะหนวินาทีหรือชาวนิด ห, หน่อยชั่วโมง1นึหกสิวินาทีเออเท่าไหร่สามรอ้อสามร้อยหกสิบวินาทีแู้ชั่วโมงหนึงอ้าสามพันก็นไม่รู้เอาคิดเอากี่ชั่วโมง1มันจะได้กี่รู้ลองดูฮะพิสูจนกันดูไม่ต้องมาเชื่อพวกเรา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 อาจารย์ท่านเขาสอนสอนอยู่แล้วการสอนในรู้สอนง่ายไม่ถึงในล่วูหป๋าพิไยการสอนใน้เห็นนี่เนี่ยในกายของเราในใจของเราเนี่ยมันจะแรงออกมาท่าไหนแบบไปเราเห็นมันเรียว่าพบเห็นต่อหน้าต่อตากันเลยถ้าดูให้ชัดนะถ้ารู้สึกตัวกับความหลงอ่ะมันต่างกันอ่ะมันไม่มีแับอกความหลง ก็เขารู้สึกตัวแล้ว ด, ลลลบบ ด, ดีถ้ามันหลมลงไปมันจะหลงแบบไหนทางใดได้ไหมความรู้สึกตัวเนี่ยเราเรว่าศึกษากันมาเล่ญตาดูตอนในของเราคือสติสัมปชัญญะให้รู้สึกสร้างความรู้สึกขยันภาวนาคือขอยันรู้ขย่ใช่ไปท่องบท กรรมฐานคือตั้งไว้มีการกระทํวาวิชากรรมฐานเป็นวิชาทีา่ลิขิต ช, ชีวิตของเราไม่ต้องประชิดหาคำตอบมันเป็นไปเองเราเห็นเองอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดนัด้นเร า, เราตถาคตผู้ใดเห็นพระตาถาคตผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุบปบาท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 มันได้ดังใจไม่มีการไม่เ บ, บเวลาตัวรู้จักตัวเนี่ยไม่เป็นของคนหนุ่มไม่เป็นของคนแก่ไม่เป็นของพระของคาราวะวัยเช่้อระทินี้กายใดไม่ใช่เพศใดไม่ใช่ศาสนาระทีะ่อะไรชาติใดไม่เกี่ย ว, วกันหว่อเคยไปสอนอยู่ที่เซอร์นัตเมริกาหลายชาติหลายภาษาอยู่ที่นั่นใครก็ตาม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 เ้าก็สปาเราคนเดียวนะไม่ใช่มีหมูเด้วยแต่หมูไอ้เด็ก็อุ่นใจเราคนเดียวไม่ได้หล่งตัวเท่าเด้อเขบอกเขานั่งลงนั่งลงก่อนเขาก็นั่งนั่งมันนั่งกัจจามาตมันไม่เป็นเหมือนเราเไปบงังคับให้มันนั่งกัจจามาตไปข่มหัวเขานะบาก็โอยโอยโอยขาไม่แข็งมันนั่งจากเก้าอีก้ก็บอกว่าเรารู้จักตัวเองคนรู้จักตัวเองก็รู้อยจักไหน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 เห็ น, านจากมารจาทศักดเห็นแต่ลักเท่เราไปกลัวเราไม่อยากรู้วันที่ส่วนเราก็ปิดบังตัวเองถ้าไม่เห็นจริงๆนะเห็นกวาไปเที่ยงโอยเป็นปัญญาอะไรที่มันไม่เที่ยงหายใจได้อยู่ทุกวันวันนี้หายใจไปไแล้วมันไปเที่ยงนอ้วันนี้มันไม่เที่ยงจริงๆเเอา้าเห็นจริงๆ หายใจไม่ได้เป็นทุกข์ไว้ลองดูสิมันทุกข์ไว้หยออกไปเข้าเลยเห็นความเป็นทุกข์เป็นทุกข์หรือไม่ใช่เป็นของจริงโอ้ยเนี่ยเห็นความเป็ทุกข์นะมันจริงอ้าเเลยไปทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนหลวงพ่อความเขียนหรือหลวงพ่อพระครูหรือเป็นอาจารย์ของคนหรือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใช่ตน